เป็กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง2 ส, ส่วนในวันนี้ก็คือประโยชน์ในทางธรรมและก็ประโยชน์ในทางโลกประโยชน์ในทางธรรมนันก็คือการบําเพ็ญกุศลนะหรือว่าการทําบุญนะประโยชน์ในทางโลกนันก็คือการมาเสวนาวิสาสะเพิ่มปูนสติปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับการ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 พุทธังพลาผลนกกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานธรรมังพลาผลนกกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานสังฆังพลาผลนกเกาเป็นบุญคนกินเป็นทานคือเราเขปลูกต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้นึกแต่ว่าโอ้ต้นไม้นี่จะให้ให้ให้ไม้ให้ผลไม้ให้ยาแก่ฉันเมื่อฉันปลูกต้นไม้ฉันไม่ได้ขอให้ต้นไม้ตัวเร็ยๆเพื่อฉันจะได้รวยเร็วไว แต่ว่าปูกต้นไม้เนี่ยเพราะคิดถึงนกคิดถึงคนที่จะม่าใช้ประโยชน์จากต้นไม้เป็นการทำบุญไปด้วยในตัวอันนี้คือความสามารถที่ลึกซึ้งรอมตด้ับธรรมชาติว่ามนุษย์เราสรัมพันกับธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เกยงแค่ว่าธรรมชาติจะให้อะไรเราแต่ว่ายังโยงไปถึงอาศัยธรรมชาติเป็นสื่อนะที่สัมพันธ์กับสัตว์เช่นนกเป็นต้นแล้วก็คน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 เศรษฐีหรือว่านักการเมืองพระธมตรีพระธรรมาคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยากจะให้กานองใจว่ามันมีค่าและเราควรจะภาคภูมิใจแต่เราก็ต้องยอมรับแลวก็ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นการทวนกระแส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 แกอยากได้ไปขับขีแล้วแกสอบเนี่ยนะตอนที่อาตมาไดฟังขาวนี่เมือม่อเมื่อต้นปีที่แเนี่ยแกสอบมาแล้ว770ครั้งแล้วประสอบไม่ได้แกสอบมาตั้งแต่ปีสีแล้วแกสอบแทบทุกวันนะปีสี่แเนี่ยถึงต้นปี5้าสเนี่ยมันมันเกือบพันวันไแล้วนะแกสอบไปแล้ว7 7็อเครั้งสอบไม่ได้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 ในสุดก็พอถึงเวลาก็ออกบวชมือนก็บพระไปสันดอนพระไปสันดอนนี้ก็กลับมาครองราชแต่ครองราช ถ, ถึงจุดหนึ่งก็ออกบวชคนที่ครองหน้าแล้วเนี่ยมบางทีไม่กล้านะไม่กลาสลัดสมบัติให้ลูกกลัวว่าลูกจะปกครองได้ไม่ดีเท่านะแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นโพระทีศัตว์ที่ท่าน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 ว่าอยากจะสูขคืว่าสิ่งที่เราทําไม่มีความหมายมากมีคุณค่าทั้งในทางนวิทยาในทางเศรษฐกิจสังคมแลว้วก็ในทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณแล้วก็เป็นงานยากนะที่เราต้องใช้ความเพียรมันถึงจะเขนโคขึ้นภูเขาได้แต่ขึ้นแล้วนี่ก็ก็ต้องยอมเพราวสักวันเราก็ต้องลงแล้วก็ถ้าเราถึงเวลาที่เราต้องลงเราก็ลงได้